ควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารและผลิตแปรการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกไทยนะครับวันนี้ผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนเสียงอาจจะเปลี่ยนนิดนึงแต่ว่าเนื้อหาสาระก็คงอัดแน่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตั้งแต่มรดกเพลงไทยมรดกวิถีไทยมรดกภูมิปัญญาไทยและมรดกทางภาษามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายทีเดียวนะครับนอกจากเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วเช่นเคยนะครับ เราก็ยังมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณฟังอย่าช้าเลยครับพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบแต่ละช่วงของรายการโมรดกไทยนะครับ FM 89.5 MHz เมสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี ช่วงที่1นึ่งมรดกเพลงไทยครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับนอกจากภาพยนตร์ไทยที่มีเสน่ห์ตามแบบไทยๆแล้วนะครับก็ยังมีเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เรียกว่าเป็นตำนานและทําให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับผมจําได้ว่าสมัยก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยผมประทับใจภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าซึ่งก็มีเพลงแสนแสบเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ซึ่ง ทำให้ภาพยนตร์นั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นวันนี้ในช่วงมรดกเพลงไทยนะครับผมนาเสนอเพลงแสนแสบซึ่งเพลงนี้คำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตทานองโดยครูสมานการจนะผลินนะครับสำหรับผู้ที่ขับร้องไว้ก็มีตั้งแต่คุณชรินนันธนาครแล้วก็คุณพรยวันลูกเพชรนะครับเพลงแสนแสบเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าซึ่ง เพลงนี้ถูกแต่งขึ้นตั้งแต่ปีพศส5งพโดยคุณชรินนันทนครขับร้องไว้ต่อมาก็มีการนำมาขับร้องใหม่โดยคุณไพรวันลูกเพชรก็ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าปี2520คุณผู้ฟังบางท่านเกิดหรือยังครับสำหรับผมนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่นะครับ สำหรับภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าปี 2,520 ก็เป็นผลงานของคุณเชิดทรงศรีเมื่อพูดถึงเพลงแสนแสบนะครับเพลงนี้มีความเด่นมีความดีในเรื่องของการบรรยายมีการพรรณนาถึงความเจ็บช้ำน้ําใจพูดถึงเรื่องฤดูการพูดถึงสิ่งที่ผันเปลี่ยนแล้วก็ไปเชื่อมกับนิสัยใจคอของคนนะครับ เพลงนี้ฟังไม่ว่าใครจะเอามาร้องกี่ครั้งกี่หนก็ยังมีความไพเราะมากทีเดียวนะครับแสนแสบแสบแสนเปรียบแม้นชื่อคลองพี่หมน่นพี่มองหรือไทยช้ำแปบแสนสมแต่คลองยังช้ำเหลือไว้เพียงน้ําขุนตมพี่จึงช้ำจึงช้ำขืนขมขมตรมเสียกว่าคลองเพลงนี้เป็นการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของสังคมไทย ตั้งแต่ปี2503ปีนี้2561แล้วเวลาเนิ่นนานมามากแล้วนะครับคุณผู้ฟังเอาล่ะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังพอทราบประวัติเรื่องราวของเพลงนี้คร่าวๆแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปฟังเพลงแสนแสบด้วยกันไปทราบซึ้งถึงคุณงามความดีของมรดกเพลงไทยเพลงนี้นะครับ จำดังน้ํายอแปลกแปแสบแสนจะทนโอว่าขังหันทุกวันมันพาสบาัดวนอยากจะรู้จิตคนจะมุนกี่หนต่อวันอย่างเดือนสิบสฝากคล้องเจ้น้องนั้น ไกลกันคนลับทางทังยังร้องสั่งกันสิ้นเดือนสิบสองน้ำนออ้องแห่งความขอดนันสิ้นความรักจากกันเหมือนกางหันเปลี่ยนทางลมแสนแสนแสบแ ส, บแสนเปรียบแม้นชื่อพลองี คือโลองทองของเรียมควันเขาฝากที่จมแต่ลองยังช้ำหรือไวแต่น้ำคุณต้มที่จึงช้ำจึงช้ำคืนขมข ม, มตรมเสียกว่ากลองเจ้าจากพี่มาเจ้าลืมทุง่งนาฟ้ากว่า แล้วลืมฝากลองสฝั่งฟังลืมท้งทุ่งทองจวบจนบัดนี้มีเห็นมีน้ำเจองนองชื่อว่าแสนแสคลองเหมือนคนมองต้แสบแส แสบแสบแสนเรียบแม้นชื่อคล้องนี่คือโลงทองของเรียมกวันเท้าฝากทีบจมแต่คลองยังช้ำหรือไว้แต่น้ำคุณต้มพี่จึงช้ำจึงช้ำคืนขมขมตรมเสียกว่าคล้องเ จ, จ้าจากพี่มา เจ้าลืมทุ่งนาฟ้ากว้างเจ้าลืมฝากล้องสองฝั่งฟั ง, ฟงลืมทั้งทุ่งทองจวบจนบัดนี้มีเห็นมีน้ำเจอง้องชื่อว่าแสนแสบพลองเหมือนคนมองต้องแสบ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 หลังจากที่เราฟังเพลงแสนแสบไปแล้วนะครับผมก็นึกย้อนถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องแผลเก่านะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่คนไทยให้ความสนใจกับภาพยนตร์เรื่องแผลเก่ามากๆจนรายได้เนี่ยเป็น10ล้านเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2อ2 0ก็ประมาณเหมือนปรากฏการณ์คล้ายๆกับเรื่องพี่มากพระคนอง ที่มีคนไทยให้การอุดหนุนไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้เรียกว่าทำไราได้มากมายมหาศาลนะครับคุณรู้ฟังครับจากเพลงแสนแสบผมก็จะนำเสนอเรื่องราวของคลองแสนแสบประวัติแล้วก็ความเป็นมาซึ่งสถานที่แห่ง น, นี้น่าสนใจมากนะครับในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยจะเล่าให้ฟังนะครับ ู้ฟังครับคลองแสนแสบเป็นคลองที่ขุดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สามโดยมีจุดประสงค์นะครับเพื่อเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางประกงเข้าด้วยกันซึ่งคลองก็ขุดเมื่อปีพศ2380ด้วยพระองค์มีพระราชประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งพวกอาวุธยุทพันธ์แล้วก็กาลังรบ สเสบียงอาหารเนี่ยไปให้กับเวียดนามในราชการสงครามไทยซึ่งสมัยก่อนเรียกว่าสงครามไทยยวนนะครับซึ่งก็ใช้เวลารบนานถึง14ปีด้วยกันทั้งนี้คลองแห่งนี้มีความยาวทั้งสิน้นคุณผู้ฟังลองเดาสิครับประมาณเท่าไหร่60 70 80ลองนึกดูนะครับเฉลยเลยแล้วกันนะครับมีความยาวของคลองทั้งสิน้น72กิโลเมตรนะครับ คลองแสนแสบแบ่งเป็นคลองแสนแสบใต้แล้วก็คลองแสนแสบเหนือซึ่งคลองแสนแสบใต้ก็เริ่มจากคลองมหานาคไปจนถึงหัวหมากซึ่งเขาบอกว่าก็ไม่ปรากฏหลักฐานในการขุดนะครับส่วนคลองแสนแสบเหนือก็เริ่มจากหัวหมากไปจนถึงแม่น้ำบางปะกงซึ่งก็ปรากฏหลักฐานในพงศวดานว่าขุดขึ้นในปีพศ2380 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่งก้าวเจ้าอยู่หัวซึ่งปรากฏในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์นะครับคราวนี้มาดูว่าสิ่งที่ปรากฏในพงศาวดารกล่าวไว้ว่าอย่างไรนะครับครั้นมาถึงเดือนยี่ขึ้นสี่ข้ามปีรากานรนภศจุลศักราช1199รเก้าโปรดก้าวให้พระยาศิพีพิพัฒรัตนโกษาเป็น กองจ้างจีนขุดคลองตั้งแต่หัวหมากไปถึงบางขนาดฝั่งแม่น้ำเมืองฉะเชิงเซาเป็นระยะทางทั้งสิ้นสมัยก่อนเรียกเป็น 1,337 เส้น19วาวาสออกลึกสศอกนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีความกว้าง6วาใช้เวลาขุดนะครับถึงปีชวดนะครับใช้เวลานานทีเดียวในช่วงต้นรัตนโกสินทร์มีการอพยพ ผู้คนเชื้อชาติต่างๆมาตั้งถิ่นฐานทางด้านตะวันออกนอกเขตเมืองเพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำหรับเมืองนะครับเมืองก็เติบโตมีการขยายตัวมาทางฝั่งตะวันออกตามแนวคลองโดยมีวัดมีมัสยิดแล้วก็วังที่สร้างขึ้นริมคลองเป็นศูนย์กลางของชุมชนใหม่นะครับ เช่นคลองมหานาคและก็คลองแสนแสบจึงเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์กับเมืองปราจีนบุรีแล้วก็8ริ้วฉะเชิงเซาซึ่งต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งเมืองมินบุรีขึ้นคู่กับเมืองธัญบุรีเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงประชากรในเมืองแล้วก็ปริมณฑล มีการทำการเกษตรในเชิงธุรกิจมากขึ้นนะครับมีการขุดคลองเชื่อมแล้วก็มีคลองซอยนะครับมากมายเป็นจำนวนมากในลักษณะของคลองที่เชื่อมต่อกันในเขตพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็นำพืชผลทางการเกษตรนี่แหละเชื่อมต่อไปยังกรุงเทพมหานครโดยให้ขุดช่วงของคลองแสนแสบจากเดิมนะครับที่กว้าง6วาเป็น8วา แล้วก็มีการเชื่อมโยง2ฝั่งคลองทั้งฝั่งละหกอกด้วยกันเพื่อให้การคมนาคมการค้าขายซึ่งนับวันก็จะขยายตัวสูงขึ้นเนี่ยให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับคราวนี้มาถึงเรื่องราวสนุกๆของชื่อคลองนะครับที่มาของชื่อคลองแสนแสบนั้นมีข้อสันนิษฐานด้วยกันหลายประการนะครับประการที่หนึ่งเขาว่ากันว่า ชื่อคลองที่เรียกว่าแสนแสบนั้นเพราะว่ายุงชุมมากครับโดยมีหลักฐานจากการบันทึกการเดินทางของนักสำรวจชาวอังกฤษที่ชื่อว่าดีโอคิงได้บันทึกไว้ว่าคลองแห่งนี้มีความยาวถึง55ไม้เชื่อมนะครับนครกรุงเทพกับแม่น้ำบางประกงบริเวณที่ราบชนบทซึ่งคนพื้นที่ก็เป็นคนเชื้อสายมาลย ไม่ว่าเขาจะทำอะไรอยู่มือข้างหนึ่งก็ต้องใช้ที่ปัดยุงเสมอๆยุงกัดมันแสบมัครับเรียกด้ว่าคลองแสบแสบประมาณนี้ส่วนข้อที่2นะครับสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาเขมรที่เรียกว่าเสศาบเพราะว่าในสมัยหนึ่งคนไทยเคยเรียกทะเลว่าเสหรือแสส่วนสาบเป็นภาษาเขมรแปลว่าจืด คำนี้คนไทยยืมมาใช้เรียกทะเลน้าจืดว่าทะเลสาบถึงบางอ้อแล้วใช่ไหมครับดังนั้นแสบสหรือที่แปลว่าทะเลน้าจือดอาจจะถูกนำมาใช้เรียกคลองน้ำจืดแห่งนี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็เป็นไปได้ไหมครับที่ว่าจะมีการเพี้ยนเสียงกลายมาเป็นแสนแสบจนถึงปัจจุบันและเขาบอกว่าประกอบกับในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์นะครับไทยได้ กว่าต้อนฉเฉลยศึกชาวขเขมรมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ย่านบางกะปิเป็นจานวนมากชาวขเขมรจึงอาจจะเรียกคลองที่ไหลผ่านแหล่งชุมชนของตนเองด้วยภาษาขเขมรแล้วก็เพี้ยนมาเป็นแสนแสบนะครับ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 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่นวิทยุราชมงคลทัญบุรีเอฟเอ็มแเมกเเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตมาถึงในช่วงของโมโรดกพิธีไทย เราสามารถท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนได้นะครับวันนี้กับ70เส้นทางตามรอยพระบาทพาคุณผู้ฟังไปที่โครงการบริการและการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำรินะครับจังหวัดระยองและจังหวัดชนบุรีเป็นเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกนะครับคุณผู้ฟังนอกจากคนในพื้นที่จะประกอบอาชีพทางด้านการประมงออกเรือหาปลาบนผืนทะเลอันสวยงามแล้วก็ ขึ้นชื่อของอ่าวไทยทะเลไทยแล้วเกษตรก ร, ร, ก, รก็นับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่าสามารถเพาะปลูกแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจให้กับชุมชนแล้วก็จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวในเชิงกเกษตรจึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆสําหรับคนที่ชอบการท่องเที่ยวในเชิงกเกษตรธรรมชาติ ก็มากจะพาตัวเองไปสัมผัสกับต้นไม้ใบหญ้าและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับย้อนกลับไปเมื่อปีพศสอ2 3คุณผู้ฟังครับในช่วงนั้นสภาพพื้นที่ของจังหวัดระยองจังหวัดชนบุรีจะถูกทำลายค่อนข้างมากทำให้สภาพพื้นที่แล้วก็ป่าขาดความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้วก็ขาดแหล่งน้ำที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ พระ บ, บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริอยู่ที่จังหวัดระยองชนบุรีเพื่อเป็นศูนย์กลางอาชีพทางการเกษตรและก็ศิลปะชีพพิเศษแก่ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมซึ่งก็อาศัยอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้าดอกกลาย หากคุณผู้ฟังจะไปท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะครับมาดูทริปตัวอย่าง2วัน1คืนนะครับสำหรับเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดระยองมาดูที่วันแรกช่วงเช้านะครับเราก็จะไปเรียนรู้ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์พัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็เยี่ยมชมพระโพธิสัตว์กวนอิมยกขาวอยู่ที่อำเภ อ, อนิคมพัฒนาซึ่ง พระโพธิสัตว์กวนอิมยก ข, ขาวก็ใช้ยก ข, ขาวจากเวียดนามนะครับมาสร้างจากนั้นก็เพลิดเพลินที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพมีสมุนไพรมากกว่า 20,000 ต้นวันที่สองช่วงเช้านมรสการรูปปั้นหลวงปู่ทิมอิสาริโกซึ่งเขาบอกว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่วัดละหารไร่อำเภอบ้าน่ายสาหรับช่วงบ่ายก็ชื่นชมทัศนียภาพที่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็เรียนรู้โครงการป่าวังจันทร์คุณผู้ฟังที่สนใจซื้อสินค้านะครับก็สามารถซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่บ้านประชารัฐสุขใจซึ่งก็อยู่บริเวณปั๊มปตาทาอำเภอวังจันทร์สำหรับถ้าไปสถานที่แห่งนี้นะครับห้ามพลาดก็คื อ, อ, อให้ไปเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำดอกกลายกรมพัฒนาที่ดินนะครับ ก็มีจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่างๆตามศักยภาพของพื้นที่สำหรับกิจกรรมห้ามพลาดนะครับกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินก็ไปชมการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์น้าแปลงพืชสมุนไพแรแปลงพืชผักปลอดสารพิษอันนี้ก็มีประโยชน์แล้วก็น่าสนใจนะครับนอกจากนี้ก็ไปชมการสาธิตการเลี้ยงสัตว์ครบคู่กับการปลูกพืชและก็การประมง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริก็อยู่ที่หมู่สามตบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับก็ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเปิดให้เข้าชมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬกา30นาทีก็หยุดวันเสาร์แลวก็วันอาทิตย์นะครับ เชิญชวนทุกท่านได้ท่องเที่ยว70เส้นทางตามรอยพระบาทนะครับนอกจากได้ความเพลิดเพลินแล้วก็ได้รับความรู้ที่น่าสนใจมากทีเดียวครับ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 Breakin' leaves to let the วั n ต่อ o ป Thể n qua h ัว t u n g q u a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 จากคุณ น, นี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ็อปลูต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสารและติดตามจากร้อยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปจากหัวใจเมื่อเราจะเทไป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 จากนั้นกดเพิ่มเพื่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งกับบ้านราชมงคลธัญบุรีแล้วค่ะ l ลน e Official R M U T T ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์แห่งใหม่ของคนทุกวัย <Like. S 1> วิทยุราชมงคลธัญบุรีกับช่วงเวลาแห่งความสุข เอาละครับมาถึงในช่วงของมรดกทางภาษาอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าแนะนำหนังสือที่ค่อนข้างมีอายุเก่าแก่นิดหนึ่งแต่ว่าถ้าหยิบมาอ่านเนี่ยคงจะได้เห็นแนวคิดวิธีการใช้ภาษาแล้วก็เรื่องราวที่สะท้อนสภาพชีวิตสังคมได้น่าสนใจนะครับวันนี้แนะนำหนังสือเรื่องสั้นชุดก่อกองทรายผู้เขียนคือไผ่ทูลทัญญานะครับ ในหนังสือหนึ่งเล่มเป็นรวมเรื่องสั้นนะครับก็มีเรื่องสั้นเอามารวมเล่มไว้ทั้งหมด12เรื่องงานของภัยทูลทัญญาจะมีลักษณะที่แสดงถึงชีวิตและธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสากลมากๆดังเช่นมนุษย์ทั่วไปในโลกที่จะพึงมีแล้วก็พึงเป็นในขณะเดียวกันก็มีสีสันชีวิตของท้องถิ่นแล้วก็ความเป็นไทยทั้งในด้านการใช้ถ้อยคา การใช้ฉากที่เป็นท้องเรื่องถ้ามาดูกันที่เนื้อเรื่องนะครับก็มีความหลากหลายสะท้อนปัญหาและก็แง่มุมต่างๆของชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องคนบนสะพานบ้านใกล้เลนเคียงแล้วก็เรื่องเพื่อนบุญนะครับที่จะสะท้อนท่าแท้ของคนส่วนถ้าคุณผู้ฟังไปอ่านเรื่องคำพยากรณ์และนกเขาไฟก็จะเน้นความคิดความเชื่อของคนในชนบท และบางเรื่องก็แสดงถึงสัจธรรมของชีวิตตีแผ่ได้อย่างน่าสนใจทีเดียวไพทูนทัญญานะครับได้ใช้กลวิธีการเสนอเรื่องแบบหลากหลายแต่ว่าแยบยนต์สอดคล้องกับเนื้อหานะครับอ่านได้แล้วก็เข้าใจง่ายตรงไปตรงมาบางทีก็มีนัยยะที่เป็นสัญลักษณ์เช่นเรื่องกอกองสายแล้วก็คำพยากรณ์นะครับ ทีนี้มาดูลักษณะเด่นของวิธีการนำเสนอเรื่องราวต่างๆนะครับก็คือการนำเสนอความจริงที่บางครั้งอาจจะไม่สวยงามนักแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่น่าจะรับรู้บางทีก็อาจจะรู้เรื่องจริงอ่านเรื่องเหล่านี้แล้วอาจจะรู้สึกขมขื่นบ้างนะครับในในความรู้สึกของผู้อา่านแต่ว่าบางทีก็แฝงอารมณ์ขันไว้ด้วย ซึ่งไพฑูรย์ธัญญาก็เป็นคนที่มีความเก่งกาจในการใช้ภาษาที่มีลักษณะแบบคล้ายๆกวีนะครับใช้ภาษาที่ปราณีตรื่นหูกระทัดรัดและข้อสำคัญคือไม่ซับซ้อนมากจนอ่านแล้วก็งงวิธีการเขียนของไพฑูรย์ธัญญายังอุดมไปด้วยถ้อยคำที่ให้จินตภาพนะครับทำให้เกิดภาพขึ้นในสมองของผู้อ่านแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะประทับใจด้วย สีแสงแล้วก็เสียงจากตัวอักษรนะครับที่โลดแล่นขึ้นมาเหมือนมีชีวิตดังนั้นหนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลสีไรต์ประจําปีพศ2530นะครับบอกที่อีกทีนึ่งนะครับชื่อหนังสือเล่มนี้คือก่อกล่องสรายเพราะนั้นไปที่ห้องสมุดไปที่ห้องสมุดประชาชนหรือบางท่านสนใจไปร้านหนังสือถ้ายังมีหนังสือเล่มนี้อยู่ก็ลองซื้อมาอ่านนะครับ รับรองว่าได้ทั้งความสุขได้ทั้งศัตธรรมชีวิตและข้อสำคัญก็คือได้เห็นการใช้ภาษาที่ย้อนไปเกือบถึง30ปีที่ผ่านมาและนี่คือสเสน่ห์ของภาษาไทยที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังมีสเสน่ห์และสะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นไทยได้อย่างงดงามนะครับ สายสืสวยมากก่อกประสาทสักลังกกําแพงประตูก่อสะพานสร้างเป็นทาง นั่จะสามั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 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่นด้วยพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตรในสไตล์การออกแบบรองรับการจัดกิจกรรมทั้งโซนอบรมสัมมนารองรับได้ 10- บถึงสองที่นั่งโซนห้องเรียนฝึกอาชีพโซนนิเรศการสร้างสรรค์ไอเดียพร้อมพื้นที่โถงขนาดใหญ่ขนาดตั้งแต่2 8 0ร้อถึงเจ็ตารางเมตรรองรับโซนกิจกรรมและแคมเปญพิเศษนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันทั้งโปรเจคเตอร์จอทีวีขนาดใหญ่และ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 คุณผู้ฟังครับตอนนี้เวลาของรายการมรดกไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดทั้ง4ี่ช่วงของรายการรวมทั้งเพลงเพราะๆที่ตั้งใจนํามาฝากวันนี้จะทําให้คุณผู้ฟังได้เพลดิดเพลินและมีความสุขมากที่สุดนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการมรดกไทยได้ใหม่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 อยูเคียงข้างเธอรือปล่ายามที่เธอเจ็บช้ำเมื่อเธอเงียบเหงาซึมเศร้าเขาอยู่ไหนหากวาใครคนนั้นเป็นคนดีและรักเธอ กับเธอทำเพื่อเธอได้ทุกอย่างและถ้าใครคนนั้นทําได้ยากที่ฉันทําฉันก็คงอุ่นใจมีค่วงอีกแล้วและพร้อมจะลาไปอย่างเต็มใจ ใส่ใจเธอหือเปลาออ่าเื่อยามเธอทุกทนอยากรู้เขาทำอย่างไรทำใหเธ อ, อนใจได้หือเปลาออ่าเื่อยามเธอน้ำสันบอกฉันสักคำก่อนไปเมื่อเธอลม ไม่มีเรียวแรงและกำลังใจคนนั้นอยู่เคียงข้างเธอหรือเปล่าอย่างที่เธอเจ็บช้ำเมื่อเธอเงียบเหงาซึมซศาวคขาอยู่ไหนหากว่าใคร นั้นเป็นคนดีและรักเธออยู่กับเธอทําเพื่อเธอได้ทุกอย่างและถ้ใครคนนั้นทําได้อย่างที่ฉันทําฉันก็คงอุ่นใจมีห่วงอีกแล้วและพร้อมจะลาไปอย่างเต็มใจ ไม่ห่วงอีกแล้วละพร้อมจะลาไปอย่าเต็มใจ